อยากจะปฏิบัติได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็แล้วแต่ที่เหมาะกับจริตของตนเองที่สามารถจะนํามาใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเราได้สําหรับอาตมาในการปฏิบัติก็ถือว่าเป็นการเพิ่มเติมในส่วนของการทําความเข้าใจในภาค ปฏิบัติคําสอนของพระเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาตมาก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพทีนี้การปฏิบัติเนี่ยมันช่วยทําให้เราได้ผ่อนคลายนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีสติตามดูรู้ทันแล้วก็มีสติปัญญาตื่นพร้อมรู้ตัวตลอดเวลาเท่าที่จะสามารถทําได้มันก็ช่วยทําให้เราไม่ต้องไปผวางอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรา ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างอตอมาจะมีโรคอย่างหนึ่งก็คือโรคหูอื้อแต่นี่อาการหูอืดเนี่ยมันมันขึ้นอยู่กับสภาพของร่างกายนะเช่นว่าถ้าเกิด อ, อดนอนหรือว่าทํางานหนักหรือว่ามีความเครียดเข้ามาอาการหูอื้อมันจะเกิดขึ้นแต่นี่อาการหูอืดเนี่ยมันไม่ใช่หูอื้อแบบธรรมดาก็คือว่ามันจะมีความดันอยู่ในหูและจะมีเสียงดัง พอมีความดันมีเสียงดังในหูเนี่ยมันจะทำให้เกิดอาการเวียนนะเรียกว่าบ้านหมนุนนะถ้าเป็นหนักก็คืออาเจียนมือเท้าอ่อนหายใจเต้นหัวใจเต้นแรงแล้วก็ไม่มีกำลังแต่หลังจากที่ได้มีการฝึกหัดปฏิบัตินะโดยเฉพาะอาการตามดูรู้ทันพราอาจารย์ก็พยายามจะแนะโดยเฉพาะการดูเรื่องของ เวทนาที่ร่างกายและกความรู้สึกที่จิตใจมีอยู่ช่วงหนึ่งในการปฏิบัติซึ่งเป็นการเชื่อมต่อจากครั้งก่อนโน้นเมือ่อปานประมาณต้นปีนะตอนนั้นเพิ่งออกจากโรงพยาบาลใหม่ๆ ใ, ในขณะที่นั่งปฏิบัติไปเนี่ยปรากฏว่าหูเริ่มอืดมันอือมาวูดังมากกำลังจะทรงตัวไม่อยู่แต่ณขณะนั้นเนี่ยที่กำลังทาความรู้สึกตัวอยู่โดยการยกมือสร้างจังหวะ พระปากฏว่าจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยมันทําให้เห็นเห็นอาการเกิดขึ้นทางกายแล้วมันก็เลยบอกว่าคือคือเป็นความรู้สึกบอกที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะไม่ได้คือไม่ได้เป็นการตั้งใจมองหรือเป็นการเป็นการสั่งตัวเองแต่ว่ามันเป็นการเกิดขึ้นโดยธรรมอัตโนมัติของมันเองว่าอาการที่เกิดขึ้นหูอื้อเนี่ยมันเป็นเรื่องของกายนะเป็นเรื่องของกาย พอคิดได้อย่างนั้นปั๊บนะมันก็รู้สึกตัวขึ้นมาแล้วใจของเราเนี่ยมันก็เลยไม่ไปกังวลหรือไปรำคาญกับความอาการที่หัวมันอื้ออาการอย่างนี้แหละมันเป็นความดีในส่วนตัวเขาจะมาเป็นความดีตรงที่ว่ามันทําให้เราเนี่ยไม่ต้องไปกังวลนะหรือไปไปไปมัวคิดว่าเมื่อไรมันจะหายเมื่อไรมันจะมานะหรือว่าเมื่อไรมันจะหยุดไอคำตรงเนี้ยไอการรู้สึกตรงเนี้ยมันก็เลยหายไปนะคำว่าหายไปไม่ใช่หายในบททีเดียว มันก็อยู่ที่ว่าช่วงไหนที่มีการตื่นรู้นะในขณะนั้นอาการแม้จะมีอาการเกิดขึ้นทางกายอาการทางจิตก็คือว่าความรู้สึกที่ชอบหรือหรือชังเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นมาหรือเกิดขึ้นมาแล้วก็จะละได้เร็วนะอันนี้อย่างหนึ่งอันที่2ก็คือว่าที่ท่าน เ, เกียรติชัดเจนในระหว่าง4ีห้าวันที่ผ่านมาก็คือเรื่องการชันข้าวนะเรื่องทานอาหารเยมก็ลองนําไปปรับใช้ดู ในการทานอาหารเนี่ยแน่นอนว่าเวลาเราเราเราทานข้าวหรือทานอาหารเนี่ยเราจะมีเป้าหมายตหลักก็คือหนึ่งอร่อยนะสองเป็นประโยชน์ก็คือส่วนมากจะเป็นอย่างนี้คืออร่อยไว้ก่อนนะต้องต้องอร่อยแั่นี้พอได้มีการเริ่มพระอาจารย์ก็ให้บทเรียนว่าวันนี้นะให้ดูนะดูเรื่องเวทนาคือความรู้ความรู้สึกทางกายเย็นร้อนอ่อนแข็งอ่อนนุ่มหวานอร่อยอะไรประมาณนี้ เวลาฉันขเข้าวก็เลยสังเกต ด, ดูในขณะที่เคี้ยวไปนะเคียเค้ยวเควเคียวไปเจอของหนุ่มของหวานของอร่อยนะของร้อนของเย็นณตรงนั้นนะ่ะเป็นธรรมชาติของทุกคนนะถ้าเกิดของถูกปากเนี่ยแน่นอนเราก็ต้องชอบนะแต่ด้วยในขณะตอนนั้นที่เราเฝ้าระวังเนี่ยแม้ว่าจะมีของมีความหวานอร่อยเกิดขึ้นแต่คําว่าชอบหรือไม่ชอบเนี่ยมันจะไม่ค่อยเกิดหรือเมื่อที่เกิดเกิดลางๆแต่เราจะเห็นทันนะถึงแม้ของตักใส่ปากจะไม่อร่อย ความรู้สึกไม่ถูกใจมันก็ไม่เกิดเช่นเดียวกันนะอันนี้ก็คือความดีความดีของการที่ได้มีการพยายามเฝ้าระวังตื่นตื่นอยู่รูทร้ทันอ่าตื่นรู้พร้อมตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นประโยชน์ทำให้เรามีความสุขทั้งในส่วนของกายนะและในความสุขในส่วนของจิตใจนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันก็จะทาให้มีการพัฒนาทางด้านปัญญาก็คือเห็น มันทําให้เห็นก็คือว่าในช่วงนั้นน่ะที่ที่อาการปั้นหมุนเนี่ยอาการหูอื้อเนี่ยในช่วงนั้นมันทําให้เห็นเลยว่าอ๋อคื อ, ค, อคืออันนี้มันจะบอกเป็นธรรมชาติโดยไม่ได้เกิดขึ้นจากการอ่านหนังสือมาแต่มันเป็นอาการอย่างที่บอกคือว่าเหมือนเหมือนว่าเวลาที่น้ําใสเนี่ยเวลาน้ําใสน้ํามันมีคุนน้ํามันนี่กระเพื่อมเราสามารถมองเห็นเงาหน้าเขาเงาหน้าเขาเราได้เัยใดอาการชนนี้ก็เช่นเดีวยวกันนะคือใ น, นขณะที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ย อาการปั้นหมุนเกิดขึ้นมาเนี่ยหูอื้อขึ้นมาในขณะที่จิตเราสงบแล้วก็มีตามมีการตามดูรู้ทันพยายามตามดูรู้ทันเท่าที่จะทําได้เนี่ยณขณะนั้นน่ยมันทำให้มองเห็นว่าอาการของโรคเนี่ยมันเป็นเพียงแค่อาการของกายมันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งอย่างที่เราเคยเรียนมาว่าแก่เจ็บตายเป็นธรรมชาติอีตรงเนี้มันทําให้เห็นเห็นเห็นได้ง่ายขึ้นเห็นชัดเจนขึ้นนะเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติ ในครั้งนี้ในส่วนตัวอาตมาก็ถือว่าได้ผลนะได้ผลเป็นที่น่าพอใจเพราะอย่างที่บอกก็คือว่าปัญหาโรคอรคประจำตัวเนี่ยมันมันชื่อว่ารบกวนความรู้สึกเป็นอย่างมากนะถ้าหากว่าวันไหนเราไม่มีการเตรียมความพร้อมในการตื่นรู้อยู่เนี่ยเวลามันเกิดขึ้นมาปั๊บเนี่ย มันจะทําให้ทรมานนะทรมานทั้งกายและก็ทรมานทั้งใจก็คือหงุดหงิดลาคาญเมื่อไรมันจะหายเมื่อไรมันจะไปเมื่อไรมันจะมาอีกมันก็ต้องทำให้เกิดลาคาญแต่พอพยายามฝึกรู้ตัวเนี่ยมันก็จะช่วยจุดเนี้ยคือทั้งความรู้สึกผ่อนคลายก็เกิดขึ้นนะแม้มันจะเกิดขึ้นมามันก็จะทําให้เราเห็นตามความเป็นจริงว่านี้เป็นเพียงแค่อาการทางกายเท่านั้นมันก็จะไม่ส่งผลไปกระทบทางด้านจิตใจของเราอีกต่อไปก็จะพยายามสร้าง ความรู้สึกตัวต่อไปเท่าที่จะมีเท่าที่จะเรียกว่ามีสติตามดูลูทันให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะก็ขอฝากให้ญาติโยมไปเป็นข้อคิดว่ า, าชีวิตของเรานี้นะถ้าหากว่าเราจะอยู่ไปตามธรรมชาตินะตามธรรมชาติก็คือว่ า, าตื่นมากินนอนพักผ่อนแล้วกลัวตายเราก็จะไม่ได้อะไรแต่ถ้าหากว่าเรามีโอกาสได้ฝึกขัดปฏิบัติรม มันก็จะทําให้เราได้สัมผัสกับความจริงที่มีอยู่ซึ่งมันมีอยู่แล้วแต่ทํำยังไงเราจะปรับเอาความจริงข้อนี้ความแก่ความเจ็บความตายความพัดพลาดเนี่ยมาเป็นพลังนะที่ภาษาไทยเขาเรียกว่าพลิกวิกฤตที่เป็นโอกาสเราจะทํำยังไงเอามาปรับให้เกิดเป็นประโยชน์แล้วเราก็จะได้อนิสง์จากการเข้ามาศึกษาพุทธศาสนาก็ข อ, ขอฝากญาติโยมเอาไว้เนื่องจากเรามีเพื่อน ชาติกลางเทศฟังอยู่ด้วยก็เล ย, ยว่าให้เขาเข้าใจนิดนึงว่าที่อาจารย์สุการพูดไปที่อ่านหมายความว่าอย่างไรในที่นี้อยากจะเชิญคุณเล็กพี่คนคุณสนุปทําที่เข้าใจดับพิพษการพูดเป็นภาษาอังกฤษเชิญคุณเล็ก <ขอ S 1> ได้โอมนั่นแหละคุณเล็กนี่นแหได้ใช้สติเขาเรียกว่า Our uh, e a d y b e summarize what he are talking about. Uh, just to know uh, what happened after he observe uh, the meditation practice for seven y a r five d a r s three. You see, they were there. See the same seat. You oh, see, okay, you know? yeah, yeah. And summarize, and then you understand, understand uh, what he are talking about. Yeah. Oh, good m r n i n m k u b a i Mr. Tan. Ah, let me talk about um, what he was talking about. Uh, he was talking about what his experience when he was in this meditation session. Uh, because he said um, this meditation session helped him to feel his um, sensation of his sickness, and the more he be aware of his body, um, he realized that these things are natural. It's already in your body. It's not. It's not you. It's a natural that's already happened in your body, and uh, and then he learned about how about when he eat having food, and he has a feeling that he like or dislikes. When when he learned those things, he kind of knows, them. and then not attached to those feelings. So, we a r learning, being mindfulness, is learning about your body and mind. Yeah. Okay. Yeah. Thank you. Ah, Miss Marisa, five days. What did you get? Let's hear from Miss Marisa. What in the five days? Come to practice. Miss ี a r i s a is from t n n e e e p r t i e f i v d What i d you get? h a t did you s h e with your r e n d s a n a m i y t t l e bit s การนมสัส ก, การหลวงพ่ อ, อพระคุณเจ้าทุกทุกสวัสดีเพื่อนนักปฏิบัติธรรมทุกท่านและญาติโยมที่มาร่วมในวันอาทิตย์นี้นะคะดิฉันชื่อมริษานะคะได้มาจากาเทนเนสซี่นะคะมาที่นี่ก็หลายครั้งแล้วมาคราวนี้ก็ไม่ธรรมดานะมาปฏิบัติคราวนี้คือว่ามากับทุกมากับเวทนาในร่างกายเนี่ยก็ คล้ายๆกับท่านแพทอาจารย์สงการานนะคะคือดิฉันนี่ไปผ่าคอมาเข้าฝังท่อเล็กๆไว้บนคอแล้วใส่ใส่เส้นประสานเข้าไปในท่อนะฮะมันจะมีอาการแบบว่าปวดนะคะเวทนาที่จะมากแล้วแต่บางวันบางช่วงบางโอการนะ ค, ะคือผ่ามานี่ก็ร่วมปีแล้วก็ยังไม่หายนะเวทนานีคือผ่ามาอ่า พูดถึงการปฏิบัติที่มาปฏิบัติข่าวนี้นะเวทนาตัวเนี้ยดิฉันนี่คิดว่าดิฉันเนี้ยคงจะต้องคงกลับบ้านเก่านะนะคงแบบว่าทนไม่ไหวมันเวทนามันมากแต่อาศัยที่ว่าตัวเองได้ปฏิบัติมาปฏิบัติสายหงพ่เทียนนะสร้างจังหวะอย่างที่ท่านสร้างนะว่าการสร้างการสร้างจังหวะเนี่ยช่วยยังไง ช่วยสติสัมปชัญญะเอามาช่วยยังไงในเวลาเราเจ็บป่วยนะเพราะว่าเราไม่เคยคิดใช่ไหมคะว่าเราเนี่ยเดินได้พูดได้ทําอะไรได้ร่างกายแข็งแรงแล้วสักวันหนึ่งเนะี่ยไม่ว่าอายุมากอายุน้อยนะเกิดเราล้มเจ็บปวดขึ้นมาเนะี่ยเราช่วยเหลตัวเองไม่ได้เลยเนะี่ยคุณจะทจําใจยังไงนะคะแล้วยิ่งเราอยู่บ้ า, านตนะ่างเมเนี่ยหาคนช่วยเหลือยากพี่น้องก็เขาก็ต้องมีธุระทําการทํา ง, งานกันจะมาดูแลเรา ตลอดไปมันก็เป็นแท้จะเป็นไปไม่ได้เลยเราต้องทำยังไงเราก็ต้องทำใจไม่ทำใจทำใจยังไงถ้าเราไม่รู้จักทำใจเราก็ต้องทุกข์นะทุกข์แสนสาหาัสสากัรถ้าใครไม่เจอจุดนี้นะจะไม่เข้าถึงไม่เข้าใจสัจธรรมของชีวิตเข้าใจชีวิตของเราเนี่ยว่า เ, เราเกิดมาทาไมเราคือใครแล้วเราจะไปที่ไหนนะตัวเวทนาตัวเจ็บปวยนี่แหละมันจะบอกเรานะบอกอยังไง เราสร้างเรามาสร้างมาเข้าพอรปฏิบัติเนี่ยสร้างสติสมาธิปัญญาเนี่ยที่จะมาดูจุดนี้แหละนะแล้วมันช่วยตรงไหนพอเรามีเวทนาขึ้นมาเนี่ยใจเรานี่โหยโหยหนนะแบบว่าถ้าใครไม่เจอจุดนี้นะแบบว่าใกล้ความตายเข้ามาเนี่ยเราจะรู้นะคะคือว่าจิตเราจะบอกว่าเราไม่รับแล้วมันร่างกายที่ทนไม่ได้แล้วนะคะ มันจะปล่อยบอกว่าร่างกายมันจะผูกจะพังแล้วจิตมันจะออกจากร่างแล้วนะจุดนี้แหละถ้าใครไม่ได้ปฏิบัตินะจะไม่เห็นเลยนะคะนิ่ฉันก้ารับรองด้วยสัยจธรรมการประพฤติปฏิบัติมานะจิตจะไปสู่สุกตินะจะไปอยู่ขึ้นสวรรค์หรือว่าตกอบากิภูมิก็ตรงนี้แหละถ้าเราทำใจให้เป็นปกติสงบได้นะเราก็ไปดีถ้าเรากวนกระวายใจอยู่นะ ทำใจไม่ได้นะช่วงนี้ล่ะรับรองเลยอบายภูมิรอเราไว้เนี่ยการปฏิบัติถึงจุดนี้นะคะแต่ว่าศีลสมาธิปัญญาผู้พิชชันปฏิบัติมาเนี่ยปัญญามันจะมาจุดนี้จะบอกว่ามันจะช่วยสมาธิจะเกิดขึ้นแล้วว่ามันจะช่วยต่อชีวิตให้เราได้เพราะว่าอะไรเรามีสติสัมปชัญญะในชุด ช, ช่วงนี้จุดนี้นั่นแหละพิชชันถึงรอดมานะคะทั้งทงี่ว่าเดินไม่ได้นะ ก็ต้องช่วยตัวเองเดินได้เพราะว่าอะไรสติสมาธิปัญญาช่วยเรามีกำลังใจขึ้นนะเกาะข้างฟ้าเดินเดินแต่ว่าร่างกายร่างกายเรานะจะมีเวทนาแต่ว่าจิตมันไม่รับแล้วนะจิตมันสบายมันเบามันโล่งมันวางมันปล่อยมันวางนะเวทนามีไหมมีเป็นช่วงๆแต่สมาธิมันก็ส่งเสริมปัญญาตัวนี้เหมือนไปต่อยอดให้เราได้มีลหาใจต่อขึ้นไปอีก ดิฉันก็มาคิดว่าเอ๊ถ้ามันไม่ไหวจริงๆนี่นะเราตายอยู่ที่อเมริกาหรือว่าไปตายอยู่ที่เมืองไทยก็องค์เหมือนกันนะตัดสินใจกลับไปเมืองไทยเนะี่ยไปปฏิบัติธรรมกับหลวพ่อต่อที่เมืองไทยนะไปถึงเครื่องบินนี้ครัตามปกตินะดิฉันไม่ไปารลกชั้นหนึ่งแต่ที่นั่งไม่ได้ต้องนอนคือว่าต้องนอนไปแล้วทุกชั่วโมงเนี่ยต้องลุกขึ้นเพราะว่าพอนี่มันต้องปรับนะพอที่ต้องปรับตลอดเลย ทางสายการบินเขาบริการดีมากเงี้ยนะอนไปถึงเมืองไทยถึงลงเครื่องบินปุ๊บหลวงพ่อบอกว่าเดี๋ยวเพิ่งกลับบ้านนะมาที่เชียงรายไปวนเขานะฮะเชียงคำไปปฏิบัติที่ น, นั่นนะแต่ไม่มีใครรู้นะเ ข, าขออ้าคอสอยพวกท่านนี่แหละแต่ไม่มีใครทราบนะว่าดิฉันเจ็บปวดเพราะว่าดิฉันไมมีอาการคือว่าเจ็บปวดเนี้ยมีบอกเขาได้น่แต่เขาไม่ทราบรรก็ปกติเนี่ยใครๆเห็นดิฉันก็คงปกติแต่ว่ามีเวทนาะแต่เราว่าเรา เราไม่เอาจิตไปวางกังนั้นพอมันามากมากเราก็หาทางแก้ไขาหาทางออกได้เดี๋ยวจะบอกว่าแก้ไข ย, ยังไงออกอยังไงแต่พูดถึงว่าไปาถึงที่เมืองไทยก่อนนะคะพอไปถึงเมืองไทยหลวงพ่อพาไปที่บนเขาเชียงคําโ อ, อ้ทางภุรกรันดานมากแต่พอขึ้นไปแล้วผู้ที่พ่านไปบอกบุกเปิร์กจะข อ, อนสถานที่นะคะเขาทำได้ดีมากบรรยากาศดีมากเหมืนที่นี่นหะคะ่ะแต่ว่าอยู่บนเขานะดิฉันอยู่ห้องข้างล่างนะะ เขาจัดอาหารที่ไกรนะเดินไปทั้งที่ว่าเวทนามากแต่ไม่มีใครทราบนะน้องๆเขาผู้พี่ๆทีาจัดกรรมฐ า, านข้างบนนะเขาจะลงมาบอกทฉันขึ้นไปทาวัดตอนเย็นไปทำวัดตอนเช้าไปทัดทีด่ันนะไม่ทราคือความไม่ทราบนะเ้าก็มาอนุเคราะห์เราให้เราขึ้นไปนะแต่ทีฉันก็ไม่ได้ขึ้นไปหรอกแต่จะขึ้นไปตอนตีสนะตอนนี้ทแล้วนะขึ้นไป เพราะว่าถ้าเวทนาช่วงเวทนามากๆเนี่นก็ไม่อยากให้ใครเห็นเพราะว่าอะไรเรารักษาสมาธิของเขารักษาอารมณ์ของเขาถ้าเขามาเห็นเราอยู่ในสภาพนั้นจิตใจก็ไปยังไงคนที่มาปฏิบัติใหม่ใช่ไหมคะน่นะเขาก็จะห่อเหี่ยว ก, ก็โกวไปห่วงเป็นยัยน่ะเราก็ไปทําให้เขาเนี่ยแปบลบว่ า, าพลาดโอกาสที่เขาจะได้เห็นธรรมนะดิฉันขึ้นไปข้างบนนะคะเดินขึ้นไปข้างบน สาราคือฉันนอนข้างล่างนะตอนตีสองเนี่ยทุกคืนเลยสามสี่คืนติดกันนะขึ้นไปได้อารมณ์ดีมากเลยถึงจะเจ็บป่วยนะแต่ว่าบรรยากาศสถานที่และกความเพียรของเราที่ปฏิบัติไม่อยู่เนี่ยการสร้างจังหวะของเราเนี่ยจะเิญสติทุกย่างก้าวนะเนี่ยกายเคลื่อนไหวใจนึกคิดทำตลอดเลยนะขึ้นไปข้างบนตีสองเนี่ย้ได้ไดอารมณ์ดีมากเลยนะดิฉันเคยมีครูบาอาจารย์หลายท่านนะ ท่านเคยบอกดิฉันว่านะตอนกลางคืนเนี่ยดึกดึกช่วงทีสองตีสามนี่นะแบบว่าเทวดาเท้าศักกะพระพง์พระ อ, อ, อ, อ, อินทรอะไรจะลงมาเพราะว่าคนเราเนี่ยมนุษย์เนี่ยปัตถุชนเราเนี่ยมีกิเลสมากท่านไม่ลงมาหรอกตอนที่กังวันลรือว่าคนที่มีอะไรไม่สงบท่านจะลงมาตอนกลางคืนนะคะดึกดกึช่วงทีสองตีสามี่ฉันก็ยอยากจะเห็นนะนะคือว่า พอเรามีเวทนามากนะแล้ความคิดมันก็มาใช่ไหมทให้เราอยากเห็นตัวนี้ดิฉันก็ขึ้นไปนะะไปดูดิฉันเห็นนะคะเห็นพระอินทร์พระพรหมเทวดาเทาาะนะ้าสกัดเห็นเห็นในนี้นะมันเป็นเหมือนปริศนาธรรมนะพอดิฉันเห็นตัวนี้ดิฉันไม่สงสัยเลยว่าเนี่ยที่เขาบอกว่าเห็นอย่างนี้เห็นอย่าง คือเห็นตรงใจสงบปุ่นใจนิ่งใจง ไ, มมไม่มีอะไรไม่มีอะไรตนแต่งนะะใจเป็นหนึ่งเหมือนน้ำที่อยู่บนใบบัวอย่างนั้นะ่ะเนี่ยตัวนี้ก็ต่อช่วงชีวิตที่ชัช้นรอดเข้ามาผีดนะคะนี่จะ น, นี่จะพูดย่อๆเพราะว่าเดี๋ยวจะให้เวลาเพื่อนด้วยเพราะเราต้องไปกันนะก็กลับมาหลวงพ่อพาไปต่อปฏิบัติเองไม่ได้หยุดนะพอครัง้งครังที่สาท่านจะพาไปโราชนะ บอกให้นไปต่อดิฉันบอกว่าหลวงพ่อถ้าไปตอนนี้ต้องหาวิโยงลงลถขึ้นลดแน่ เ, เพราะร่างกายไม่ไหวละนะท่านก็ทราบนะดิฉันก็กลับบ้านไปักรักษาร่างกายนะพอกลับมาที่อเมริกาเนะี่ยพอดิฉันมาไปฏิบัติณวันนี้ณเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้เนะี่ยกระพูดนี้นะเนี่ยถ้าวันที่ผ่านมานะเวทนาก็มีนะกาอยู่ที่นี่ดิฉันไปปฏิบัติที่สาราที่เราสวดมนต์กันเมื่อกี้เนะี่ย ได้อารมณ์ดีมากนะจะอยู่ที่ไหนที่สาลาที่นี่ที่ไหนนะแปลว่ามันมีความสุขไปหมดเลยสุขยังไง น, นะการปฏิบททัติอย่างหลวงพ่อท่านจะให้อ่อคิดแสดงทำตอนเช้าตอนเย็นพวกเราก็จะมาพูดรายงานอารมณ์เนีย่ยว่าวันนี้นะ่ะปฏิบัติว่าเป็นยังไงบ้างยังไงบ้างก็รายงานให้ท่านนะแล้วท่านก็ ตรวจสอบว่าเราทำถูกต้องไหม mai, เป็นยังไงก้าวหน้าหรือยังไงท่านก็คอยแนะนำอยู่นี้แะคะดิฉันวัน ท, ท, ท, ท, ท่านแสดงบทบทที่เราปฏิบัติกันเรื่องเวทนาเรื่องความเจ็บป่วยนี่คะนายสติปัฏฐานสูตรบางคนก็คนที่ได้เข้าปฏิบัติก็คงคุ้น ค, นคนหูนะคะสติปะมหาสติปัฏฐานสูนี่ก็มีคือเอาจิตใจของเราเนี่ย เบาหวาฐานกายเวทนาจิตธรรมนะคะเนี่ยอย่างท่านยกมือเนี่ยท่านก็อาใจมาไว้ที่กายนะคะไว้ที่กายให้อยู่ที่กายถ้ามันเผลอแป๊บไปคิด อ, อ๋อแล้วก็ดึงกลับมาน ะ, ะเนี่ยตัวที่ว่าเราสร้างจังหวะอยูเนี่ยเราได้สมาธิแล้วน ะ, ะพอมันเผลอแป๊บคิดไปเราดึงกลับมาปัญญาเกิดเนี่ยแค่นี้แหละนะเนี่ยทำยังเนี้ย แต่ว่านิฐานกายนะถานเวทนาเราก็ดูเวลาเราลุกขึ้นนั่งยืนเดินมันมีในอาการเจ็บปวดทุกอย่างเลยเมื่อเรายังพึ่งพวดผ้าลุกขึ้นเราก็ต้องดูว่าเออปวดก่อนนะแล้วกําหนดแล้วก็ลุกเนี่ยส่วนจิตนี่ไอ้พวกจิตพวกความคิดพวกอ่าความความชอบใจไม่ชอบใจ นะความพอใจไม่พอใจอย่างนี้นะแล้วก็อาบนะถึงจุดนี้ดิฉันจะขอพูดจะย่ อ, อนะฮะถึงจุดที่ดิฉันปฏิบัติปัจจุบันนี้น ะ, ะถึงจุดนี้คือเวลาท่านนะแสดงธรรมนะั้นท่านพูดถึงเรื่องเวทนาที่ดิฉันเป็นดิฉันก็ดูพิจารณาตัวเวทนาคือท่านบอกว่าเวทนาสามเนี่ยคือสุขเวทนาทุกขเวทน า, ทขขขนาหรืออทุก ข, ขสุขเวทนา อาทุกขสุขเวทนาให้เราไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นะคะเวทนาสามก่อให้เกิดความสุขนี่ก่อให้เกิดถ้าเราได้สุขมาเราก็พอใจใช่ไหมคะพอเราได้สุขมาพอใจถ้าไม่ได้เป็นไงขัดใจการมาลนครการมัฉันทากิดขึ้นลาคะ่ะเกิดขึ้นพอทุกข์เป็นไงไม่พอาจโทสะเกิดขึ้น ใช่ไหมคะเนะี่ยมันเวทนาสามนะฟังให้ฟังให้ดีๆช่วยช่วยดิฉันจำด้วยน ะ, ะเพราะว่ามันเกิดขึ้นในขณะที่ห้าวันที่ปฏิบัตินี่นะคะเวทนาสามตัวเนี่ยสุขทุกข์และความไม่ยังไม่ได้แจ้งว่าจะสุขจะทุกข์ในชะ่ไหมทำให้เกิดตัณหาเกิดความอยากใช่ไหมคะเพราะไม่ได้อย่างใจไม่อยากอยากได้และไม่ได้อย่างใจตัณหาสามเกิดขึ้นตัณหาสามนี่เป็นเหตุ ทรรมะเป็นเหตุให้ธรรมถ้าเราไม่ได้อยากใจเราก็ทุกข์ใชนะ่ไหมตัณหาสเหตุให้เกิดทุกข์ภาวะตัณหาวิภาะตัณหาเอาวิภาะตัณหาใช่ไหมที่ที่ฉันพูดภาษาบาลีนี่ไม่ใช่ว่าอยากจะพูดนะคะแต่ว่ามันเป็นภาษาพระพุทธเจ้าเป็นภาษาที่เราเข้าไปสัมผัสแล้วมันไปตรงกับที่เราเรียนเราส่วนแล้วจิตเราไปสัมผัสจุดนั้นนะคะ แล้วเวทแล้วตัณหาสามนี่แล้วตัณหาเกิดมาจากไหนตัณหาตกเข้ามาดึงเข้ามาถึงเวทนาเวทนาทำให้เกิดตัณหาคือความพอใจและความไม่พอใจใช่ไหมคะ <c oughs> ย้อนมาเวทนาทำามมีเวทนาสติปัฏฐานก็มีเวทนาใช่ไหมคะขันห้าก็มีเวทนา ใช่ไหมคะาล่าอะไรอีกเล็กไม่อะไรเวทน า, าปฏิจสมุตตาปฏิจจะสมุตบานี่จุดนี้เข้ามาถึงปฏิจจะสมุตบาทเลยนะเวทนาตัวนี้เข้ามาถึงปฏิจจะสมุตบาทไอ้ตัวที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตันหาใช่ไหมคะปฏิจจะสมุตบาทนี่นะคะดีฉันไปปฏิบัติที่เซนหลุยสองปีสอง ป, ปีแรกนะคะ ที่ได้รู้จักกับหลวงพ่อท่านพาไปปฏิบัติที่เซนหลุยได้รู้จักเรื่องปฏิจจสมุปบาทคือว่าได้ไปเห็นความคิดตัวเองนะปฏิบัติมาได้เห็นความคิดของตัวเองแต่ว่าเห็นแต่จาัด ก, การอะไรไม่ได้นะความคิดเห็นตัวเองเห็นยังไงพอเห็นความคิดตัวเองนี่มันจะเข้าไปตรงกับการมาพื้นปฏิบัติที่เราสวดทุกวันเลยเรื่องปฏิจจสมุปบาท ถ้าใครที่ได้เข้าวัดบ่อยๆศึกษาธร ร, ธรรมวินัยศึกษาแบบเรื่องอการเจริญภาวนาถึงแม้ไม่ว่าไม่ได้ปฏิบัติแต่ว่าได้ศึกษามาก็คงจะเข้าใจนะคะปฏิจะสมุทบางเริ่มมาจากอะไรเริ่มมาจากอาวิชาใช่ไหมคะอวิชาอาวิชาครัให้เกิดสังขารความปตกแต่งสังขารทําทให้เกิดวิญญาณวิญญาณทําให้เกิดดัมมารุ นามรูปทำให้เกิดอายตนะอายตนะทำให้เกิดผัสสะผัสสะทำให้เกิดเวทนานเวทนามาอีกแล้วทำไมเวทนาถึงมากเนี่ยเห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมท่านให้ความสำคัญของเวทนามากที่สุดเลยนะเพราะว่าะรเรามีเวทนาตลอดเวลาเลยและเราหนีเวทนาตลอดเราหนีทุกตลอดเลยเนี่ยเพราะว่าเราไม่เข้าใจจุดเนี้ย เราเป็นชาวพุทธเราต้องเรียนให้ถึงจุดนี้นะคะแล้วเราจะทราบว่าเราเจ็บป่วยเราเป็นอะไรทั้งทั้งร่างกายทั้งจิตใจเนี่ยเวทนาพอถึงตรงนี้แล้วเวทนาทําให้เกิดอะไรตันหานะโขมาและตันหาตันหาเกิดอะไรทีนี้ไปเลยพอถึงตันหานะ่ะเอาไม่อยู่แล้วเกิดภพเกิดชาติเกิดชลาเกิดบรณะปริกขัเสกไปเรื่อยเล ย, เ, ลยเกิดเป็นวัฏจกักรหมุนร mm hmm. อบ ดิฉันพูดเี่ยตัวสิบเอ็ดนี่นะตัวอวิตตัวปฏิจสมุบาติอวิชานี่นะสิบเอ็ดตัวเนี้แต่เวลาปฏิบัติจริงๆนะมันไม่ได้ไล่อย่างนี้นะมันพลืดเยวเลยพวดเดียวเลยแต่ที่ดิฉันแยกได้เพรา ะ, ะอะไรเพราะครูผู้อาวอาจารย์เกจิอาจารย์ผู้าาที่ท่านมาเรียบหนังสือเนี่ยท่านเรียกเองมานั่นเป็นความรู้ของท่านแต่สิ่งที่เราปฏิบัติเนี่ยเราต้องปฏิบัติให้ได้นี่แล้วเราจะเห็นว่ามันเป็นยังไง ะะมันจะพรวดเเลยที่เดียวมันไม่มีเราเป็นขั้นเป็นตอนน ะ, ะเหมือนอ้าพอถึงจุดนี้นะคะดิฉันไม่สงสัยเลยแล้วเราทําไมเราจะทําให้เกิดตัวนี้ได้น ะ, ะเราจะทํำยังไงเราก็ต้องมาเจริญเนี่ยสติปัญฐานน ะ, ะเจริญสมาธิเจริญปัญญาปัญญาอะไรปัญญาต้องปัญญาสัมมาทิฏฐินะ สัมมาทิฏฐิปัญญาสัมมาทิฏฐิคืออะไรคือเห็นชอบเห็นชอบเห็นยังไงนะเห็นชอบเห็นว่าทุกมีนะเห็นชอบคือเห็นด้วยปัญญาเหมือนในบทสวดเห็นไหมคะผู้ใดเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเห็นอริยสัจสีด้วยปัญญาอันชอบดิเห็นไหมต้องเห็นอย่างนี้นะ เห็นในพระพุทธศานาต้องเห็นเห็นอริยสัจสี่อริยสัจสี่คืออะไรคือทุกนะเหตุให้เกิดทุกเนี่ยมันก็วนเข้ามาแบบนี้แล้วทำไงนิโรธมรรคแล้วมันจะทำยังไงเนี่ยการที่เราปฏิบัติในที่ดิฉันพูดมาเนี่ยในฐานกายเวทนาจิตธรรมปฏิเจสมุตตาอะไรเนี่ยเนี่ยมันจะเห็นเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นขั้นตอนอย่างนี้เลยถ้าเราปฏิบัติ ม, ม, มันจะสัมพันธ์กันนะคะพูดถึง อ, อริย ส, สัจ ส, สี่นะคะอริยสัจสี่นี่ทุกเราให้กําหนดรู้เนี่ยที่เรามาสร้างจังหวัเนเราก็มากําหนดรู้ทุกให้เห็นทุกเราไม่ใช่หนีทุกแต่ทุกวันนี้เราเหนีทุกกันเราถึงไม่พ้นทุกเราถึงทำแก้ไขทุก์ไม่ได้น ะ, ะพอเห็นทุกเรากําหนดเนี่ยเราจะเดินจะก้าวจะยางจะพูดจะจา จ, จะทำงานเรากําหนดใช่ไหมคะ ทุกสมุทยัยเหตุให้เกิดทุกเหตุให้เกิดทุก็ตันหาสามที่ดิฉันพูดผ่านมาใช่ไหมคะนะพอตันหาสามเกิดขึ้นทําไมอ่ะนิโรธทําให้ดับนิโรธทํ า, ายังไงเราก็ไปแก้ไขเห็นทุกแล้วก็กําหนดรู้เราก็เปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าเสร็จอ่ะแก้ไขไปนิโรธเกิดขึ้นมันสบายแล้วใช่ไหมนั่นก็เป็นนิโรธแล้วแล้วมาทำไง มเราก็ต้องทำให้บ่อยๆเจริญบ่อยๆเนี่ยมาทําความเพียรอย่างเรามาเข้าห้องมาเข้าคอร์สเนี่ยบ่อยๆอย่างดิฉันทํามานี่นะคะตั้งแต่รู้จักท่านอา จ, จารย์หลวงพ่อเนี่ยนี่ปีที่สิบปีเกือบเกือบสิบ ป, ปีนี่นะดิชันไปปีหนึ่งนี่นะท่านจะมาอเมริกาใช่ไหมคะหกเดือนหกเดือนเนี่ยดิฉันจะไปทุกเดือนเดือนละสิบวันสิบวันสิบวันทุกเดือ น, นนะ ไม่เคยผ่านเลยนะเนี่ยดิฉันทำมันต้องลงทุนท่านถ้าไม่ลงทุนนะเราก็ไม่ได้สิ่งเพราะฉะนั้นดิฉันก็เห็นใจนะองคคลต้องทํางานทําการดังนแล้วเราจะปฏิบัติได้หรือครับนะเราก็ค่อยทําความเข้าใจไปก่อนอย่าเพิ่งว่าเราจะทําได้เลยนะมันต้องมีอะไรล่ะเราต้องแก้ไขไป ท, ทีละทีละอย่างทีละอย่างนะฮะพออ่าที่พูดถึง มัคใช่ไหมคะกี้มันก็ไปตรงกับมัคดใช่หมคะมคเนี่ยเนี่ยคือสินสมาธิปัญญาย่อมาแล้วก็เป็ น, นมัคแที่เราทาเราจเจริญในมคเนี่ยมัคเนี่ยคือหนทางที่พ้นทุกข์จริงๆถ้าเราอยู่ในศินสมาธิปัญญาจริงๆเราจะพ้นทุกข์อย่างนี้ั้นอย่าง้ช้นเนี่ยปวดเมื่อยใช่ปวดคอเนี่ยเมื่อคืนนี่สองนี้ไม่ได้นอนนะมันล็อกมันเกิดอาการล็อกขึ้นมานะแต่ใจนนะไม่เป็นทุกข์เพราะว่าอะไร เราก็เาความรู้สึกเราที่เราปฏิบัติมาอยู่กับความรู้สึกที่กายบ้างนะที่จิตบ้างนะแล้วจิตตอนนี้นะมันจะอยู่ในสี่ฐานเนี่ยมันไม่ไปไหนแล้วเพราะเราปฏิบัติจนมันอยู่มันอยู่บ้านแลบ้านของมันน่ยสี่ฐานเนี่ยสติบ้านสติมหาสติประธานสูงในบ้านเรากายเวทนาจิตธรรมเนี่ยจิตเราก็อยู่ในเนี่ยมีฐานกะมีฐานบ้านมีบ้านอยู่นะเมื่อก่อนเราไม่มีบ้านจิตเราไม่มีบ้านนะเราท่องเที่ยวไปเรื่อยเลย ทีนี้เราอยู่ในการเวทนาจิตทําตลอดเลยเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราเห็นจิตนะไปป่าเดี๋ยวมั น, นก็แวบไปเดี๋ยวมันก็แว บ, บไ ป, บบไปสติเนี่ยที่เราสร้างเนี่ยสติสมัมปชัญญะที่เราสร้สางเนี่ยมันก็ตามไปดูตามไปดูตามไปดูไปยังไงไม่ใช่ตามไปดูย่องไปดูเหมือนไม่ใช่พม่ใอย่างที่คิดนะต้องด้วยการปฏิบัติเนี่ยพอจิตออกไปปุ๊บดูสติปัญญาตามทานดดหมดกลับมาดู เหมือนเดิมอยู่กับใครเป็นยังงพอเห็นอะไรเกิดขึ้นเกิดขึ้นสักเห็นก็สัตว์แต่ว่าเห็นได้ยินก็สัตวกแต่ว่าได้ยินแล้วมันจะมีทุกข์เท่าไหร่มันจะมีทุกข์ามาจากไหนใครจะเป็นยังไงแล้วก็เห็นมล้ได้ยินแต่มันไม่เข้ามาถึงใจแต่ว่าก็มีบางครั้งนะฮะเพราะว่าเราเป็นผู้เดินทางใหม่มันก็มีความคิดบางทีมันล้วนเลยเหมือนเหมือนวิทยุนเนี่ยรับขึ้นไม่ได้ แต่เรามีทางแก้ไขนะเรามีวิธีของเราดิฉันอาจจะพูดไม่ชัดไม่เข้าใจบางท่านอาจจะไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรไม่เข้าใจก็ฟังไว้ก่อนเพราะว่าเราอาจทําให้ถึงการพูดเนี่ยเหมือนการรายงานภูบาอาจารย์ท่านด้วยว่าเราปฏิบัติไปถึงไหนท่านจะได้ทราบและท่านจะได้แก้ไขให้ถ้าเราไปถึงจุดไหนที่เราจะเดินลงทางหรือว่าไม่ถูกทํางเนี่ยว่าจะพูดย่อๆก็ดิฉันก็ขออนุโมทนาน ะ, ะแต่ทุกท่านนะ การที่มาร่วมฟังดิชั้นให้โอกาสดิฉันได้พูดขอให้ท่านทุกท่านนะจงได้เข้ามาปฏิบัติได้เห็นใจห็นธรรมทุกๆท่านนะคะสาธุค่ะสาธุเรา<อ>จะเห็นว่าในการปฏิบัติเนี่ยถ้าหากว่าเป็นโรคกระช่ายจมูก็รักษาได้อย่างอาจารย์สงการเดี๋ยให้น้องปีงเป็นคนใหม่ส่วนเลยสมให้น้อ ง, ง น, น้องปีนไงน้องปีนมาเพิ่งม า, มางานนี้ไม่เคยปฏิบัติมาก่อนปฏิบัติแล้วรู้สึกอย่างไรในในสาขานี่ เาจะได้ฟังคนใหม่พูดบ้างเขาเชิญทุกปีอากาศในราชการคืออะไรทุกท่านค่ะแล้วก็อย่ากลวม่ก็อย่างที่พระอาจารย์ว่านะไม่เคยปฏิบัติก่อนแต่เป็นคนที่ศึกษาและพยายามจะแสวงหาทางผลถุกมาตลอดอ่านทุกอย่างที่มีทางเดินนะคะหาเธอะพาร์ี่รูปหนังสือกี่นเล็นแข่งขึ้นมาเกิดหมดแล้วแล้วก็พยายามแต่มันไม่มีโอกาสไม่มีทาง เหตุที uhm ่เกิดข so so ึ้นก็คือว่าเป็นโชคคือจะพูดว่ามันจะเป็นอฟังละกันแล้วจะคิดยังไงเราแต่ทำวันปีใหม่มาสวดมนต์ที่นี่คือจะแพ้มาทุกปีอ่ะค่ะแล้วเจอท่านธรรมเนียท่านก็ตอนเห็นท่านทางแรกเป็นท่านธรรมเนีท่านท่านกําลังสนทนาธรรมหรือสอนธรรมกับพาะอีกรูปหนึ่งชื่ออะไรนิจาค่ะก็นึกในใจ ผู้ดีดดจางพูดธรรมะที่มันยากๆให้มันเข้าใจได้ง่ายๆเนีทุกคนเนี่ยดีจางก็น่าฟังใจผู้ใบญพูดมาท่านรู้สึกจะเทศเรื่องการอย่างี้นะจุดนั้นอธิฐานทันทีบอกว่าขอให้ได้เจออะไรงี้นในชาตินี้แล้วก็แถมตอนจบว่าขอให้มาเร็วๆด้วยนะเพราะว่าด้วยจะคอยรอระยะนั้นมาก็คืออธิฐานอย่างนั้นเราตั้งใจอย่างมากแล้วก็มาอีก เดินกุมภาบ้างค่ะเจอท่านอีกทีมาทำบุญทบ้านทำแต่บ่ายจะเฉยลาภาคุณพ้าคุณแม่าท่านก็พูดว่าท่านจะมาสอน16ถึง22คือคิดดูมาว่าปีหนึ่งไม่มีผลลาแต่เจอตรงนั้นอ่ะกลับไปถึงบ้านปุ๊บลางานทันทีว่ายังไงฉันก็ต้องมาความี่ท่านหนูมาด้วยความอยากเพราะว่าเหมือนกับว่าอาจอ่านปันใจหาทางไม่เจอมาเป็นเวลานานมาถึงก็พยายามพยายามมันก็ ท่านเนี่ยมีความสามารถที่อ่านเราออกยังไงไม่ราบแล้วก็ปรัหนูสงสัยต่อดสองครั้งสองอารมณ์วันแรกเนี่ยค่ะยกมือถังตลอดเวลาพูดไม่หยุดคือแบบสงสัยสงสัยสงสัยสงสัยพี่ๆเนี่ยมีเมตตาแล้วมีความใจเย็นกับเรามากว่าปล่อยมันสงสัยไปแล้วพยายามอธิบายก็อย่างวันแรกมัแก้ความสงสัยไนะก็ทําไปยกมือทำทำไมยกตรงนั้นยกทําไมแล้วก็พอระหว่างที่ยกเนี่ยต่้งใจใหม่มาก ความคิดอะไรก็เข้ามาตลอดเวลาวยงมันจะได้จริงแบคือก็อย่างนู้นอย่างเงี้ยแล้วก็ไปขัดยางกับทฤษฎีที่เคย อ, อ่านมานู่นนะั่นนี่นู่นก็ก็ยังสงสัยอยู่วันรุ่งขึ้นก็ปฏิบัติไปผ่านไปพ้นมาวันอะไรนะอังคา ร, อ, คารอังคารเย็นพุทธค่ะวันเสาร์เนี่ยคะ่ะศุกร์เสาร์เนี่ยแหละมีจุดที่เกิดตรงว่า ไม่สงสัยแล้วดีกว่ามนะั้งคือทิ้งไปเลยตรงนั้นนะัคือจากเป็นคนที่ช่างสงสัยมากเนี่ยบอกประเด็นที่สารานะั่งอยู่ที่มาริษาเนี่ยแล้วตรงนั้นเนะ่ยประมาณบ่ายสามบาที่บอกเลยว่าไม่สงสัยแล้วเถอะเพราะว่าถึงสงสัยไปจะทำอะไรต่อไม่ได้แน่เลยอะ่ะคือคือไม่รู้ท่านต่อแบบนี้เท่าไหร่มันไปท่านแนละ้นแล้ ว, แ ล, วแล้วตอนนีรู้สึ ก, กัว่าสิ่งที่ได้ที่ดีที่สุดสําหรับงานนีนะ้คือว่าเราเห็นทางแล้วเราหมดสงสัยแล้วว่า ทางนี้ไปได้ที่มันต้องไปเราต้องทำคือบอกเลยว่าตอนเนี้ยสงสัเราหายไปล้ไอ้เจ็บที่บล็อกมาเนี่ยบล็อกชีวิตเรามาตลอดหมดไปแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่ว่าทําทําเพื่อให้เห็นเพราะดูจากพี่ๆหลายท่านที่มาปฏิบัติเนี้ค่ะคือเรายังไม่ได้อะไรหรอแต่เราเห็นการพัฒนาของพี่ๆทุกวันที่เขาเห็นลราเห็นคนอื่นอนะ่ะเราคิดว่าสุดท้ายเราคงจะต้องได้ด้างแต่แต่ที่แน่ๆคือว่าต้องมีความเพียรเหมือน <c oughs> เห็นคุณป้าท่านหนึ่งเนี่ยค่ะท่านทําทั้งวันอนะ่ะ ทำนั่นอยู่ตรงเนี้ยทําวันหนึงสามชั่วโมงนั่งเฉยๆไม่ลูกดและทำตรงนั้นจนจนท่านเห็นอะไรเนี่ยคือเหมือนกับว่าเราเห็นตัวอย่างคืออย่างน้อยเนี่ยก้าวแรกของหนูเนี่ยคิดว่ามาถูกแล้วตอนนี้ก็เหลือกับว่าตอนนี้กลับไปต้ตั้งใจแล้วก็มีความเพียรที่จะทำต่อไปอย่าลังเลสงสยัยคือของบารมีต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเองนะคะแล้วพระอาจาเนี่ย จะสอนแต่ละคนเนี่ยคิดว่าไม่เหมือนกันดูแต่ละพื้นฐานคนที่มาไม่ใช่ว่ามีหนังสือมาเล่มหนึ่งเนี่ยแล้พูดแบบนี้กับทุกคนไม่ใช่ ท, ท่านดูว่าเธอปิดตรงไหนท่านกดล็อกอยังไงแล้วอีกอย่างที่สํำคัญก็คือว่าความคิดเนี่ยเป็นตัวที่ทำลายตัวเราได้ดีที่สุดแล้วควรคิดมากคิดทุกเรื่องทุกอย่างคือตอนเนี้รู้จักแล้วว่าความคิดคืออะไรรู้แล้วว่าจะต้อง คิดออกแล้วว่าจะต้องจัดการกันยังไงคือการรู้ตัวเนี่ยจะทําให้มีความรู้สึกว่าความคิดเข้ามาเมื่อไหร่เราจะรู้จักปิดการมันอย่างไรคิดว่าถ้าตุ่มมากกว่านี้ยจะต้องทําได้ดีกว่านี้ก็ทั้งสาธุคนแ้วคนใหม่เธออ้างยายเลยให้ยายพูดเอาอะไรใหยายพยายได้พูดภาษาลาวฟังเอาหน่อยก็ได้กันนะ <แ>ยายะไรยาจะพูดให้ฟังคนมาสักการ์นต้องรอแล้วอาจารย์หลองพ่อโม่พุ่มาปฏิบัติธรรมกันปัจุกสักคนก็มาปฏิบัติธรรมเฮียวนี่กบุเชียวังบุหิดวังล่ะท่าบุเชียประโยชน์ย์ เอาสลากหมานก็ว่าได้ได้มีจะชวนลูกค้านะจว่าผู้ปอปฏิบัติกับผผู้ใดอยากผูกปองปฏิบัติเองมันก็บอง่ายบอกมุญญากแล้วก็บอง่ายสาหรับผู้ปฏิบัติปฏิบัติเถหินเถห้เอาต้องสู้เอาิวิตเป็นหพันอะไรผมไม่อะไรมันย่างมาก็ตบองม่าต ผมงองนอนมาของปัดนกยันผู้ยานยานงอผมงองนอนเนอะยานี่สุดขนอยวอยางไปเหมือนกยังแล็กนอนเลยผมเลกนอนก๊อฟคือมานั่งมันก็มานั่งเําเหมืนจัเกนอนเด็กเาคือว่าคือว่าอ้าวตรยใต้ดีหละสิกรับมันบนตายกับข้อต่อนั่งนั่งจนยกทัานขันหัวล้มไปเราก็นึกขึ้นมา ข่มย่อมือฮะลงไปกัดึงดึงเกินมาชุดถ่ายรับข่มงองนอนวันนี่มันบักข้าวหรอกเมื่มันนี่เราข่มเจียบเหมืนมาค่อยเจ็บหัวเจ๊ะแบบคอยขัาบนยอมนี่ค่อยก็ว่าคอยตายไปสารเอีกตรงตายตรนี้ค่อยในทางหน้ามาแล้วนะมันก็เขาเรียกกับหมาเลยมามันก็มันลงมาลงมาลงมาลงมา มันก็เบาไปเลยเบาว่มันเบาแล้วมายกมือนี่มันก็ไม่หงุดหงิดคุยนางซ้ำบายคปเดเจียบยังเลยคุยนางังเกเจมันก็มันคือตำตาหาชีออกเนาะมันเปิปพิสิมันยังนะเรากำลังไล่คุยกะสบายคือหัวคุก็ออกไปมึดยังหัวใจเขาคือมันรอยมาเนาะคิดถองะ มันสบายมันเพิรเป็นตีักก้อยโบวิชักใหอาถิบาอธิบายต่ำกระไดเลยให้เเสียเสียเล้ยงเตนนะเจว่าร้องพอเห็นมันมันถูกต้องแล้วเฮาเดีมืดตาเบิรเขาได้ลับตาเพราะว่าเฮาบริสสติเตอนอนเห็นชาวไต่ชา็ได้เต้นฮึมมนไโตอ่นะเขาไม่เค่ไปนอนเขาจะบัลับพอวันเพิรเป็นตีไร แต่ว่าเมื่อเอิญมาค่อยลูกมากเป็นอยู่ชื่อโมโหเมื่อคิดชั่มชวมาคอยคอยบ่ค่อยวินอย่างคอยอ้อนัออ่น <c oughs> เล็กปาไปนอนกันเดินวนอนวนอนพน่ไปห้าลกฮอล์มาห้ามาเชิญลูกฮอลกลับไปหาไ้หากรดไยนกห้เชือกห้าฮ่าฮ่าภาษาศั์ แัต่ 3, ์ยังโสติยังบจักว่าตุ้เป็นยางขนาดมันเบาว่างคเปาว่างค่อยวงจักว่าชิงเราะเป็นมังเขาอยัเ่าีงอย่างไรพราะยันเป็นอกนพราะ่าชีวิตยังใดเพราเป็นึกทรานแล้ว้ก็เป็นยางซ่องสุงมื ค่อยไปย่างค่อยก็ผู im, ้จัดเห็นใช่ไหมแง่ไปย่างมาแล้วมันจะทุกขขึ้นมา่องว่าคมจำกี่อันขวมที่ว่าเรารู้ซึขนางรู้ยซึข้างนอกนันมันเป็นธรรมดาธรรมด้าตองโลคนเฮามีเดี๋ว่าคบรู้ซึข้างในอันมันมีชีิต่างหามันบ่มีมิดจะรลอยเลาววันนี้คบเป็นยางส้มตะม่งค่ขึ้นมาได้มันออกมาเร็วค่อยไม่ได้คิดเขายไม่ได้เป็นเดี๋ยวมันออกมาว่าเออข้างในมันคี้มันเร็ว มาทางานมันม <c ười> ัยังเสิตเราเพราะว่าเบี้ยมันน้อยมันเวิดมันบอก่าสิเจะตื่นพัมันตื่นก็ื่เดี่ยวเขามโหเน่ว่ะเขจะเจงวิรดเออน่ว่าคือว่าหอบลางขั้นลางเว้ยเอาขี้เงี้ยมันออกเราไม่ดเอาเอาน้าใช้เต็มคือเกาหลชาอ่าก็ใช้เาคือเก่าสบายไม่คิดก็เดยว่าสงบรงบอกร้องบอกว่า ตอนชรงสายแล้วขนอยใจแล้วขนอยใจครบตอบแล้วแล้วก็วัดเท่นั้นเนาะขันก็ขอบใจหลายๆมีคนยังยิงยั ง, ยงร้องรอมาให้คุณทันีิขอนลอยเต็มทีเต็มใจขอบใจมึ่ยั ง, ยงนี้ทัว่าขอบแทนทักคุณไดเลยอ่าคนสุด ท, ท้ายโ ย, ยมโยมอะไรโยมเตี้ยโยมเตียยเ้ยมัน ดนับอดนอนด้วยเขา็นยั่ไง่กเดี๋ยวก็ลงกพบมาฮะนาหากันหว่าเดอริงหรือไรกรรมการท่านอาจารย์แล้วก็เพื่อนจะธรรมทุกท่านกันตอนที่มาที่จริงตั้งใจมารู้ว่าจะมีคนมาเยอะด้วยนะคก็ลาเรียบร้อยแล้วมาอยงไก็มาก็ บอกสามเขาบอกไม่ว่าอะไรเขามากค่นีก็จะได้ดูหนังสบายแต่ว่าไม่ไม่กวนกันก็มามาคือวันแรกวันแรกเนี่ยจะอยู่ไม่ทนนะเพราะว่ามันแบบว่ามันมกัวันมันมับาบางคับอ่ะมันจะง่วงนอนทำไม่ทนพอวันที่สองพอมันมันทำแบบว่าให้ทําไปเรื่อยเรื่พอทำไปเรื่อยเรื่อยก็ทำทำไปเรื่อยเรอพราะมันพอมันได้แล้วมันมันมันมันคือมันต้องทํามันเปรู้สึกเพราะว่าคือไนอ่ะ คือไม่ได้เชื่ออะไรอย่างเงี้ยเน้นลงทำดูเพว่ามันเป็นยังไงเพราะมันได้มันจะเงียบสนุกมันจะไอ้นี่ไอ้ความคิดมันจะระงับไปคล้ายๆว่าปกติเป็นคนคิดมากชุบจับชุกๆแต่ว่าวันแรกเด็กจําได้เคือถ้าเข้ามาในห้องเนี้ยจะเป็นนักเรียนเรียกว่าทำทำเนี่ยทำสมาธิแต่ถ้าออกไปข้างนอกเป็นปุะชาชนก็เป็นเวาแจ๊ๆแจ๊กแจ๊กแจ๊กวันหลังๆนี่ก็เออจะได้สนุกมากขึ้นก็คือเหมือนเหมือนกับฝึกสตินะเพราะว่าปกติไม่ค่อยไม่ค่อยมีสติ ก็มีสตินะเพราะว่าถ้าไม่มีสติก็ทำงานไม่ได้แต่ว่ามันเป็นไงอ่ะแต่ว่าจิตที่ว่าไงพี่เอฟงซ่าเนี่ยไอ้ความคิดมันเยอะคนเราเนี่ยความคิดมันเยอะเรื่องนู้นเรื่องเนี้ยที่จริงมันนี่ก็แบบแบบว่าหพ่อก็บอกว่าไอ้เรื่องความคิดมันต้องระวังเราต้องฝึกต้องระวังความคิดเนี่ยมันมันมันเป็นตัวมหาลัยนะเน้นความคิดเนี่ยเราจะสุขจะทุกข์มันอยู่ที่คิดเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องแบบว่าต้องเนื่องความรู้สึกตัวเนี่ยสํำคัญ ก็คือลับไปก็จะต้องปฏิบัตินะแต่ก็คือคงจะเไปให้อนิสงส์อารมณ์ดีวคุณคงจะไปสอนแกบ้างไงอย่ารู้เป็นาวไม่เอาความไม่เดิมแต่คิดว่าเราคงจะได้เอาแค่นี้แล้วกันอยากให้อยากให้ทุกคนมาลองงานงานที่เสดายกันเสดายยมโผมาได้วันเดียวหายไปเลยบุญยังไม่พอยมโผต้องเทียวหน้าถ้ายวโผอยู่รอจะได้เรื่องนะแต่ว่าบุญนี้ไม่พอเนาะ เที่ยวน่าายให้ดีนะอย่ยวลางงานสห้าวันกเจ็วันขส่งใปมึงลุตาเป็นไงบ้างลุงนลนก็งอวนอนเมือนเดิมแก่แก่ก็ยังไม่ได้เอาทุกวิธีมึงก็ยังไม่ได้ยังไม่หมดยังไม่หมดบาทยังไม่หมดมีพี่บาทเข ก็ขา อ, อนุนาสาธุทุกท่านที่ตั้งใจฟังนะเพราะว่าอันนี้เป็นการรายงานผลจากการที่เราได้ฉลองวิสาขาห้วันที่ผ่านมาฉลองด้วยการภาวนาเพราะฉะนั้นใครมีบุญได้เข้าร่วมก็ได้ธรรมะแล้วก็คนที่บุญยังไม่พอว่าเที่ยวหน้าวิสาขาน้าได้มาอีกแต่พลาด ย, ยินถึงนะถ้ายังไม่ถึงก็แล้วไปไมนะ่ไดนื้อพราะนั้นเองชีวิตของเราเนี่ยมาไวาอย่างนี้นะมันสร้าง เมือสั้นแล้ไแ้อยู่ไปวันหนึ่งมีแต่กินแล้วก็นอนแล้วก็กินแล้วก็นอนก็เจ็บก็ป่วยก็ตายมันไม่มีความหมายเลยนะชีวิตเลยเพราะฉะนั้นเกิดมาครั้งหนึ่งเกิดมาเป็นชีวิตเป็มือมันเกิดยากเกิดยากมากที่สุดเลยนะถ้าเราไม่มีบุญเราไม่ได้มาเกิดแต่ว่าบุญของเราเนี่ยต้องเอามาต่อเป็นกุศลมีบุญได้เกิดนี่ดีแล้วแต่ว่าเราต้องมีกุศลคือมีมีปัญญาที่จะรับทุกได้ทุกคืออะไรทุกคือเราคิดแล้วจัดการมันไม่ได้ถ้าเราจัดการความคิดได้มันจะจัดการ จับมือไปคิดนะจับวางอะไอย่างเงี้ยทุกจบถ้าบอกมึงไปคิดนะแล้วก็ใช้มันคิดได้นั่นเราจะจัดการชีวิตได้ถ้าดับไดเราจะใช้ความคิดไม่ได้อย่างที่เราจัดการไปเข้าวของได้ไม่มีทางที่เราจะดับทุกดับเพราะฉะนั้นเราจะปฏิบัติแบบไหนก็ตามแต่ขอให้จัดการกับความคิดให้ได้ตอนไหนจะให้มันเป็นเป็นปัญญาถ้ามันเป็นได้ปัญญาแยกเป็นเป็นสีก็เป็นได้ตอนไหนจะให้มันเป็นกิเลสก็เป็นได้ไม่ว่าจิต มันอจัดการก็กคิดมัได้แล้วมันไหวพอเจ้าให้จิตดีตลอดเวลานบางครั้งเราก็ใช้มันไม่ดีบางเช่นเราอยู่ด้วยกันนะเราจะแจกเตือนกันเตือนไม่ฟังเราก็ด่ากันได้ด่าได้ด้วยที่ที่ไม่ทุกนะั้นใช่ไหมอย่างเราด่าลูกเนะี่ยบางครั้งด่าลูกทุกครั้งเราทุกๆุกทุกครั้งถามคนที่เป็นแม่ใครเป็นแม่คนบางครั้งเราทุก ท, ทุกครั้งไหมที่ด่าลูกไม่บางครั้งไม่ทุกใช่ไหม อลูกเราดื้อมากทุกคนทาก็คือทุกคือบางครั้งมีสอนลูกแล้วสอนเขาไปเียบางทีทำไมต้องผู้แทนนนั้นเคยมีก็มีบางครั้งพูสัใจก็มีบางคพูดไปแล้วดีใจที่เนได้พูดได้สอนมีทุกตัวเน่ชหเนี่ยถ้าหากเราจัดการได้ว่าบางครั้งเนี่ยความคิดเราใช้ในทางมีอย่างเดียวไมได้ใช้ใทางคดีอย่างพ่อแม่สอนลูกเนี่ยลูกรับไม่ได้ใช่ไหม เพราะว่าทั้งนั้นที่พ่อแม่เนีตั้งใจดีเดี๋ยวพ่อแม่ดา่าแต่ความจริงก็คือด่านะนะั่นแหละใช่ไแต่แค่วัสอนเนะอะแ่ลูกสอนนะ่ค่ะด่านี่ไม่ค่อยดา่าแต่สอนแต่ว่าบางทีลูกเคยเป็นโจ้ยเป็นลูกก็ไอ้ที่เท่าไาร่ลูกก็แ ป, ปลเป็นดา่าจริงๆอ่ะมันเป็นสื่อมากกว่าว่าการมันเป็นการเข้าไปในผู้สอนเป็การวิธีการสื่อสารมากกว่าว่าาทีแม่เนี่ยหืพ่อเนี่ยอารมมันขึ้นไอ้ความความิที่ดีความดีก็กลายเป็น ทางลงไปตาจริงๆความหมายมืนกันหมดค่ะนั่นจะเห็นว่าเราต้องจัดการความคิดได้ไหมที่เราจะใช้คําพูดใช้อะไรต่างๆแต่ถ้าเราจัดการกับความคิดไม่ได้ความคิดมันใช้เราใช้ด่าคุณก็เป็นชาติีคุณก็เป็นใช้ให้เราคิดเป็นโจรเป็นผู้ร้ายก็ได้ความคิดเนี่ยเพราะฉะนั้นความคิดเนี่ยมันจะจัดการเราจะทําให้เราตกนรกก็ได้ทําให้เราขึ้นสวรรค์ก็ได้ทําให้เราไปนิพพานก็ได้ เพราะนั้นการภาวนาทุกรูปแบบรูปแบบไหนก็ตามถ้าเรายังจัดการกับความคิดไม่ได้ตามต้องการเรียกว่าเราเรียนรูปแบบนั้นยังไม่จบถ้าเรียนจบแล้วก็ยังจัดการไม่ได้ก็แสดงว่าวิธีปฏิบัตินั้นไม่ถู ก, จจก น, นั่นต้องมาเรียนด้วยกัน <c oughs> <c oughs> ต, ต้องมาเรียนด้วยกันเพื่อจัดการไงแต่ไม่ใช่ว่าจัดการได้ันทแต่เรารู้วิธีต้องรู้วิธีแต่เราจัดการไปเรื่อยๆเพราะความคิดกับความรู้มาด้วยกันความคิดที่มา เรารู้ไม่ทันมันกลายเป็นมันกลายเป็นกิเลสแต่ความคิดที่เรารู้ทันมันกลายเป็นปัญญาความคิดเดียวนี่แหละมันจะเป็นกิเลสก็ได้เป็นปัญญาก็ได้ขึ้นด้วยตัวรู้ทันไม่ทันเพราะนั้นเราฝึกนี่ไม่ได้ฝึกความคิดนะฝึกตัวรู้ทันว่าจะทำไงฝึกตัวรู้ทันให้ให้ทํางานให้ไวที่สุดที่มาที่ใดตัวตัวรู้ทันไม่เรียกว่าตัวยานปัญญานะแต่เบื้องต้นเรียกว่าสติแล้วฝึกสติสติที่นี่จะไปสร้างยานปัญญาแล้วยานปัญญานี่จะไปจัดการกัความคิด สมมติว่าเราโกรธเราเราเรารู้เราไมโกรธเราคับแบบบังคับไม่โกรธไม่กังบังคับเราเรารู้เลยเราถามรู้เรไโกรธไปแล้วเราเราไปแล้วเรามาโกรธเรารู้ทันขนาดนั้นคือเรามีสติใช่ทุกท่านนแต่ว่ามันดับไหมมันดับมันพูดไปแล้วพูดไปอ่าทีนี้เราเขาไม่ทันมันแล้วไม่ไม่ทันแล้แสดงว่าจะต้องรู้ทันเรื่องเดีต้องไม่พูดออกมาอจะต้องรู้ทันเรืงที่มันคิด คิดก่อนแล้วก็ค่อยพูดาใช่พอรู้ทันที่มันคิดปั๊บเราก็จะสอบสวนมันทันทีเลยเหมือนวจจับผู้ร้ายได้พอจับผู้ร้ายได้สอบสวนทันทีว่ามันจะออกไปทำไมมัจะพูดหรือไม่พูดเนี้มันจัดการมันได้อีกีเลยแต่ถ้าหาว่าสติเราเราไม่ทันมันจัดการไม่ได้มันไปเลยนะมันออกทางปากเลย่เวลาโกรปุ๊บแล้วเราแบบสมมติว่าความโกรทให้เราแบบหัวหลุกเเนี่ยอ่า แสดงมีอาการทางกายได้ใช่ไหมอาการทงายแต่ว่าเราไม่ม ah ีใครรู้สมมติเรารู้เองเรารู้เองก็แสดงว่าก็ต้องไม่ทำอ่าไม่ใช่ไม่ทําไม่ได้เพราะกาลังมาแรงกว่าเพราะนั้นมีทางเดียวที่จะไม่ทำคือต้องฝึกกําลังสติเพราะกาลังสตินี่มันจะไปจัดการกับไอ้ควคิดทันทีเลยคอามคิดจะหมดกําลังความคิดเกิดเรื่องโกรธนี่นะเพราะฉะนั้นท่านจึงฝึกตัวเดียวคือฝึกตัวรู้คือดูสติเนี่ยให้มากที่สุดถ้ายังคิดอยู่ก็แสดงว่าสติยังไม่ฟองต้องฝึกเพิ่มอีกจนกระทั่งว่าเปลี่ยนตัวคิดให้เป็นตัว รู้ได้ทันทีตรงนั้นแหะพอเลยหยุดได้เลยนะทุกครั้งที่มันคิดอะไรมเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นตัวรู้คิดว่าเปลี่ยนเป็นตัวรู้สึกตัวคิดว่าเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนได้ทุกครั้งนั้นเพาทุกกระดับเพราะตัวคิดไม่สามารถจะเปลี่ยนเป็นกิเลสได้แล้วี๋ยวมาเปลี่ยนเป็นปัญญาทุกครั้งแต่มันต้องเริ่มต้นด้วยสติถ้าเราไม่ฝึกสตินี่มันไม่สามารถจะเปลี่ยนได้เลยเพราะนั้นพรุทธเจ้าถึงตรัสเรื่องสติปัฏฐานทสูเอาไว้ทั้งสี่ฐานทันที่กายทันที่เวทนาทันที่จิตทันที่อารมณถึงนนเลยะ เพราะนงแบ่งปฏิบัติเป็นี่ขั้นขั้นแรกที่ต้องปฏิบัติให้ดูกายดูรูปนามขั้นที่สองมาดูเวทนาคือความรู้สึกขั้นที่สามาดูความคิดขั้นที่สี่มาดูอารมณ์ถ้าเราทานท่าี่ขั้นหมายความว่าทุกข์ก็ไม่เกิดแต่ท่านให้มันเน้นดูที่ที่กายถ้าทานที่กายแล้วก็ไปมันจะไปทานเวทนาไปทานจิตไปทานอารมณ์ก็สมมติถ้าเราปฏิบัติในรูปแบบทุกวันเช้านั่งวิปัสนาเย็นวิปัสนาในเราทําในรูปแบบทุกวันทุกวันนี้กัเป็นมันก็สบายนะคะสมรรถน แต่มันไม่พอมันไม่พอเพราะเราใช้มันทั้อวันแต่ว่าเราทำแค่สองเวลานะแต่เราใช้มันเราทำอะไรเราก็ทำไปด้วยใช่ก็ทจับวไรู้ไปด้วยพเข้าไปมยทโุทธทแต่ถ้าเรามีสติแต่ถ้าเราทำงานอยู่าบอกุทโทพุทธอ๋อพยายามจับสติอยู่ั้ต่ถ้าหาสติที่เกิดจากพุ่หายใจเนี่ยมันเบาไปต้องเกิดจากการเคลื่อนไหวทั้งตัว เดินก็ให้รู้จับก็ให้รู้เดี๋ยวใช่เดี๋ยวให้รู้ให้หมดเลยนะพยาตามจำรู้ให้หมดแต่ถ้าจำรู้ลงหายใจเดียวกาลังมันไม่พอดังนั้นเองก็การจเริยนสติแบบเคลื่อนไหวที่มันมีข้อดีคือว่ากําลังมันพอที่จะรู้ได้ทั้งตัวแต่ถ้าเป็นรู้ลงหายใจอย่างเดียวเนี่ยกําลังมันไม่พอพอลู้ปั๊บมันหายไปเลยก็หายใจตึนะเรานั่งสมาธิทุกวันนี้มันก็เช้าหดเย็นหดเป็นยมันก็ไม่พอแต่พี่ี่เรามานั่งสร้างจังหวะทั้งวันเลยนะยกมือเนี่ยไม่ใช่เช้าเห็นเย็นหดเลยว่าอด วันละ12ชั่วโมงถึงมันจะอเวลาเราทำงานเราทำไม่ได้นะครับใช้นั่นแหละสร้างแกว่งแล้วก็ผัดเนี่ยเราก็ใช่อันรู้สึกตัวไป้ยอ่ารู้สึกตัวไปด้วยอันนั้นเรียกว่าเราคุ้นแหะแต่ถ้าหากว่าเราไม่ฝึกมันเป็นยังไงอาจารย์่าก็รู้สึกตัวก็คืออย่างยมกำหนดลมหายใจอ่ะลมก็รู้ตามลมเข้าออกใช่ค่ะแต่ว่าเราทำงานเนี่ยเราเราเราเราทำกัข้าวเราฝึกเราฝึกมีสติอเราแผดกข้าวอยู่สมมติอย์ิดอย่างอื่น เราก็ดึงกลับแต่ถ้าเอาใจมาไว้ที่เราผัดเมื่อที่ตะหลิวเมื่อที่กระทะมาที่กับข้าวตรงนั้นยังไกลไปแต่ความรู้สึกตัวหมายืึงให้อยู่ที่มือให้รู้อยู่ที่มืออ่าแช่แต่ส่วนใหญ่มันไปรู้อยู่ที่ที่อันที่สองที่ไปสัมผัสแต่แต่ความรู้สึกตัวต้องมาอยู่ที่ตัวตัวเราที่มือที่กําลังผัดอ่าแต่ถ้าไปอยู่ที่ตะหลิวอยู่ที่กระทะอยู่ที่ก๋วยเตี๋ยวแล้วอันนั้นหลุดออกไปจากฐานฐานกายแล้ว ที่สําคัญนะเขารู้สึกตัวส่วนใหญ่ไปไปรู้สึกในสิ่งที่กำลังทำแต่ต้องมารู้ตัวผู้กระทำถ้าไปรู้ถึงสิ่งที่ผู้กระทํำยังไม่ใช่แต่มารู้ตัวผู้กระทําคือตัวเราเพราะนั้นเราพัดกับข้างรู้ที่มือผู้กระทําเวลาเดินก็ต้องรู้ที่เท้าเวลาอาบน้ําก็ต้องมารู้ที่ตัวนะได้สันนิษฐานวรู้สึกตัวแต่ถ้ามารู้ออกไปจากตัวนั้นเขาเรียกว่ามารู้ไปในความคิดรู้ไปในกิเลสอันนั้นอัวนั้นจะเป็นตัวที่เราตามไม่ทันนะ เพราะฉะนั้นในวันนี้เราได้ทําภารกิจในการสรุปเรื่องการปฏิบัติถึงแม้ว่าหลายท่านไม่ได้เข้าร่วมก็ถือว่ามโอกาสได้มีโอกาสาร่วมดังนั้นก่อนที่เราจะปิดวิสาขะวันนี้ก็ให้พ่อจเจ้าอาว า, าสาาท่านยันสั่งท่านภูทรพิยัติเราไม่ไดเทศได้การสรุปอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อเราที่จะนําไปปฏิบัติด้วยคนอมูล ถวายความเคารพพระจันทร์เกิดพรยาตโยมทั้งหลายวันนี้แม่นจะเป็นชั่วโมองน้อยระยะสั้นแต่ว่าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างน้อยเราก็ได้เห็นได้สัมผัส ได้รับรู้ได้กำลังใจในการพัฒนาปฏิบัติสืบต่อไปพระอาจารย์ท่านก็จะต้องเดินทางไปทำหน้าที่หน้าที่ของสาวกพุทธเจ้าไปประกาศธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้ชาวโลกทั้งหลายได้รู้ จริงๆวิสาขะก็คือไม่ใช่วันนี้วันเดียววันไหนที่เราเจริญสติรู้สึกตั ว, วนั้นีคือการปฏิบัติบูชาอนมิตรบูชาถึงจะมากมายแค่ไหนก็ไม่มีค่าเท่ากับปฏิบัติบูชาปฏิบัติบูชานั้นเป็นทั้งเครื่องบูชานะครับเป็นเครื่อง พัฒนาตัวเราพัฒนาตัวเราให้ได้เห็นธรรมะพระพุทธเจ้าตรัสว่าแม้เราทั้งหลายเห็นพระพุทธเจ้าทุกวันใส่บา ท, ท่านทุกวันกราบท่านทุกวันแต่ว่าตราบใดที่เรายังไม่เห็นธรรมเราก็ยังไม่มีสิทธิ์เห็นพระพุทธเจ้าเพราะคนในสมัยพระ ต่การนั้นก็เห็นพุทธิเจ้าทุกวันแต่ยังไม่ได้พ้นดังนั้นเมื่อไรที่เราลงมือปฏิบัตนะิรู้สึกตัวเห็นกายเห็นใจเห็นรูปเห็นนามนะเห็นรูปเห็นนามไม่ใช่ตัวตนของเราสักแต่ว่าเห็นนะจน <c oughs> เข้าใจในสัจธรรมความจริงนั่นแหละเร า, ธธาเห็นพุทธเจา้าเห็นพุทธเจ้าได้ตลอดเวลาอันเราได้ร่วมกันปฏิบัติเป็นพุท ธ, ธบูชาในวันนี้ก็เป็นมงคลมงคลคือความเจิญนห่งจิตใจจิตใจที่คิดดี นั่นแหละเป็นมงคลแล้วทำดีนั่นแหละเป็นมงคลแล้วพูดดีนั่นแหละเป็นมงคลแล้วยิ่งเรารู้สึกตัวยิ่งแต่เป็นมหามงคลพะวัาเมื่อไหร่เรารู้สึกตัวทุกขณะในยืนเดินนั่งนอนค <c oughs> ตามงพูดคิดนั่นแหละชีวิตเราเริ่มมีค่าแอนเราอ็ไปทำหน้าที่ ถ้าเรารักใครมากที่สุดช่วยให้เขาได้มีสติรู้สึกตัวนั่นคือการให้ความรักที่แท้จริงเพราะว่าให้เขาปลดปลอยจากทุกข์อันท้ายที่สุดนี้ในานามวัดปร ะ, ระมาชนกนยอโยมทุกคนทุกท่านขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ในคณะในโยมอริษาคุณเล็กในคุณสามาร่วมปฏิบัติ ด, ด้วย อย่างคุณวารสานั้นถึงแม้ว่าสุขภาพจะไม่ดีก็คือไม่ดีเลยไม่ดีเอามากๆแต่ว่าพอจิตถึงธรรมแล้วเรื่องอะไรก็ไว้ก่อนนะก็มาปฏิบัติร่วมกันมาร่วมทาหน้าที่นะเลยแปร่ปปพุทธศาสนาเนี่ยก็ต้องไปทาที่ชิคาโกอีกนั่นต่อไปเราก็คงได้มีโอกาส เดินในเส้นทางบุญเส้นทางธรรมเจอกันก็ให้เกิดบุญเกิดกุศลเกิดมรรคผลนั่นคือการได้พบกันข้าพเจถวายความเคารพกล่าวขอขุนพระจารย์โมทนารุ่ญยากโยมทุกคนทุกท่านข้าพเจ้าฝากที่ตรงนี้ให้พระอาจารย์ได้มาโปรดในข่าวขั้งหน้าหิตเพื่อประกาศตรัส ทำคำสั่งสอนให้เชิญยิ่ ง, งขึ้นไปในสหรัฐอเมริกาด้วยเตยตัวด้านตัวมองในเรื่องกราประพองกันนะครับอย่างนจ้าเออ ส่งราชารถจ้ารีบไปย้กเยาวจร่มคืคกบุกคนครับม่ยัริงรงตกเครื่ันไม่เร็นไรกเครืัองันอย่ต่อค่ะจกคยั เราคิดองีมนีองนแยยนแยนแกนยกกยกกันแยนแยกนแยกกันแนแยกกนนก ลก็ผมเป็นสารนิจจำที่นี่ไม่รู้ว่าอาจารย์ทำอะไเข้าที่นีงก็ดีใจว่าได้ข่าวภาษาที่แล้วอาจารย์อาจารย์ทำให ยังให้เล่ือ 6-4 โมงปนสมัยจันร์โอเโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเามวเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเอเคโอเอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเค้อเคโอเเเอ ไม่ปฏิบัติ่เไที่จะไปนนนีสคัญที่เราจะต้องาวมมจ่ีคัญครับขาเย l a s e you have to uh, to be h a p e s Yeah, I w o u l d l i k e t o summarize uh, something for you. Oh, certainly. I want that. Yeah, i t h I'll wait for you. a w i t h one? Ah, h Ah, ah. a ah. Ah, a t Ah, ah. h ah. Ah, h Ah, a r h ah. Ah, h Ah, ah. h ah. Ah, h a a h a a h a a h a a h a a h a a h a a h a a h a a h a ถ้าเดินเนี่ยเมื่อเกิดสามวันแล้วเ็น้ำหนข้าถ้าเสียบข้าเสียบแล้วมาชุบนะถ้าเสียบตอนเนี้ยมื่อครึ่งชั่วโมงเสียบเลยก็ไม่ได้ทีวิ่งโอ้ยยิ่งหนอยู่นะเสียดายนนั้นมาเพื่อนวดีต่อหายารู้จักชื่อปิงวันนั้นออกปิ้องไม่มาตกลัเดียวปิงปิงเอ้อ คือมีเบอร์ปีแล้วสึกว่าพอทำไปกลับมาเนอะไรแค่แล้วประเด็นประเนี่ยอาจารย์ก็รู้สกงอาจารย์เคนดีเดไดีเอาจารอารยหรือภาคส่วน U.S. หรือภา่วังเป็นเอ่อก็ปนแค่เาูภาก็เรื่องกว่าอาจารย์ทที แต่ว่ายงไม่เป็นเช็คใช่ไหมใช่อะไร่ั่า่้ไาธุรกจนยังไงก็้าท่งนก็บกนะครับคุณน้อมดสอีงานไม่ไ ปาจานาจานมาจาจาสอนแค่ปฏิบัติทางกายนิดเดียัจะไม่ปฏิเวณโคตรโพนีนี่หนู้นฝึกสมาธิทุกวันหมดแล้วเดอนยังแยกแยกธาแยกขาวไม่ได้ใจชำกันเฮ้ราหลังเนี่ยจะต้อาช่วยคายุปฏิบัติให้ถึงมันนี่เปเริ่มงข้นิดนึงครับนะเศรษวโคนี้ไม่มีให้สดข่าแต่ว่าช่วยหน้าเต็มตัวให้มีหน้าประมาณสักเดือายนัป็นเช ทารพยาให้อยู่านีแล้วทำคนกลกามานานมีความมั่นคงมาพุ่กระพิกเป็นขึนไหวเป็นปนิพพิชนาไม่เกนห้าวันแค่นั้นเรา ถ้าเยก็เดินไาสนาอชั่วโมงนางคืส่วนมเรดินไนาตอนเย็นก็ก่อนนอนก็สวมวก็นงศนาคือทำายเลย่นายถึ่านั่งนนั่งมันมีโยมมีคโยมจิดสมถะคอนะมันสบายมันมันมันสบายใช่แตช่อแต่นเนี้ยขมีาสนาว่้สบายแต่จะให้เกการสพี่โอพี่โอพี่โอ ไอีมวยก็ัยเ่กัเอน้อเ็วมากจะร้อนเร็วมากแล้วมาจะรอเห็นเป็นตรงนี้แหละเพื่อนับเพื่อดับเระยังไะเพื่อนดับเื่อนดัเพราะนันคือไปได้แต่ากาในงานจะเป็น่ที่ที่วมนวนี่เรื่อง ลองจัาความตัวท <ại> ี şey, ่ม <'s> ันั้นนไมาเป็นนอลึกถึงคอ้ไอ้ตัวเฟืองอที่ขยายอหลายๆเกตัวนีนิ่เล็ใ่มเดินตงนอกมาเป็นไง้าเหมือนกขนกายคือตัวสนอกสุดวงเริ่อเริมในกถึงทนาเฟืองในส่เฟืองในก็งเสืนตรนี้มัิ่เล็นะเพราะข้างนอกกายเรามันตาย แต่โยไปซับซอยก็ไปดูหายใจเป็นส่วนของการมันน้อยกนไปมันไม่ขอที่จะดูทั้งหมดเพราะฉะนั้จะเปที่ต้องดูเคื่องใหญ่ทั้งหมดคือดูการทั้มแต่การที่จะดูการทั้งหมดเป็นเรื่องกรบุกครอบนำความครอบความเคยชินมาตอชีวิเราไม่สามารถที่จะดูเป็นการเคลื่อนไหวแบบทุกนามได้คืออย่างนี้คือเวลานั่งท่านอาารย์ตรการใชหก็ให้รู้สึกตั้งแต่ม่ คือพอรู้สึกวน ม, มาพอรารู้สึกมีอะไรตัดคันเราคันแต่เราก็ไม่ได้ไปจะทําอะไรมาเราก็มารู้สึกใหม่ก็มารู้สึกส่วนนี้ส่วนนี้แล้วก็รู้สึกส่วนแขน <ừ ừ. S 2> ส่วนขาส่วนอะไรแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆพอนั่งไปนานๆเนี่ยมันก็จะปวดประปวดแล้วมือเราก็มือเข่าจะกระปวดเนี่ยมันก็หายใช่ฮะตอนนี้ไปฝึกข้างแรกเนี่ยสามวันเนี่ยแบตายเราไมสี่ไม่ห้านี่ก็นั่งได้ห้าหชั่วโมงโดยที่ไม่มุง่งเนยแต่ก็คือได้นั่งอย่างนั้นแต่ว่า มีความสุขได้น้ำได้ไหลค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่วิธีการของท่านโยมก้านที่สอนให้เกิดตัวสุขโัวสมุตได้เร็วแต่ว่ามันไม่ใช่วิจารณาเพื่อไม่มีต้นเหตุต้นเหตนเกิดจากสมุติาน่าโดนหน้าขนาดรงนีลวเป็นแี้แต่ถ้าเราไปวนเกื่องอื่นมาโดยที่ไม่ไปรู้ต้นเหนี่ยก็เรียกวมันไม่ถูกจิตสมองอาจารย์ผมว่าโยมนั่งแล้วดนปวดปวดมากเนี่ยโยมจะจิตมัน ปรดแล้วเราจะต้องยังไงะเก็จะต้องปวดติดสูงก็ติดทุกเป็นทุกต้องกหนดรู้ใช่ถ้าไปรู้ตรงนั้นทํางไงต่อไปรู้ต้งรัรู้ว่ามันเป็นทุกใช่ทุกต้องรับคือก็ช่างมันเราไม่ได้แสดงไม่รับมันผิดตรนั้นอ๋อแล้วถ้าทุกไอ่รบรัยังไหครับก็คือยงก็ขยับไหที่มันไม่ปวดอ๋อขยับได้ได้มให้ไม่ให้มุกเนี้เป็นสมถะอ๋อสมถะพอปวดปุ๊บ เรารูอ geri, s <S ้อมปวดล้วก็ขยับขยับเสร็จแล้วก็หายปวดขยับตัวทุกปวหายอะไรน่ว่าสมุทัยละแล้วอ่าบไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูทุกตัวใหม่ขึ้นมาพเี่ยนจากนี้ไปเป็นนั่นี้ทุกตัวใหม่ก kind of ็ขใช่แล้วขยับขยับให้ทุกหนาหาไปตัวขยับแบบรู้ตัวนี่เขาเรียกว่าลักสมุทัยเพราะเขาต้องรู้ใช่ไหมสมุทัยก็ขยับขยับนเดี๋ยวสมุทัยใหม่มันก็จะเป็นอยู่ี้ปัญญามันเข้าไปรู้ตรงนั้น ปัญญามันคืคิีการเกิดกระดับพอ้หนู น, นว่าหนูนึกว่ารดปุ๊บก็<อ>ทนใช่มนั้นนั้นั่นต้องการสมรรถนอา่ไม่ใช่ที่ประงางาเ่ที่ประสานานเป็นดุจการเกิดกแล้วพอหลังจากที่เรารู้เราเราหายแล้วร้วาเราเราละสมุาทไทยแล้วเร า, เราต้องทำอะไรต่อสมุทไทยตัวใหม่เกิดใหม<า>่ฮะอ่าเราก็ไอ้ี่หุนังก็เพียรเป็นนกก็เพียนะใชนี้นระพบส่วนอ่า้ก็นักรับส่วนจากใหม่แล้วประโยชนเกิด้ใหม่เล็ก ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนทันทีแม้วันหลังฝนรือนแล้วแต่จนเราทนไม่ไหวเขาเขาดีคนได้แก่คนมากเกินไปถ้าทำไมจิตมันถูกบีบไม่จิตถูกบีบแล้จิตมันจะเบี้ยวในหลังของการจิตตัวจิตต้องัวแก่ไปสาวทุกตัวเลยตัยินงตัวสบายก็เขาฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยแต่ว่าในไหนก็ตามมันจะงเล ที่วันนี้พอาจารย์ก็จะให้慢慢เดินโยงกงบ้างอย่านาก็ตรวจมอนประกอก็คือเด็กๆก็จะดูดชาดเด็กๆก็อยู่บ้านก็จะฟังของอาจารย์คนนู้าจารยัคนี้อาจารย์สถาบัอาจารย์ว่าอาจารย์หม่ของอาจารย์นี่่ก็ฟังหลวงปู่มั่นอะงนี้จริงๆยมนถึงัเปนแต่แรกที่มาแล้วจะเป็นบุญบิณฑบาตนะที่ทำโยกัดเท่านั้นกุนก้าว่าไปประมาณหกเจ็ดครั้งพอไปช่วงนี้ช่วงเริ่มปีนี้มีปัญหาเรื่องของยา คือสมาธินี่มันทาแล้วมันไม่จบมันทำไปเรื่อยๆช่แต่พิพิธศานาทาแล้วมันรู้ครั้งจบอืมเหมือจะเขอ้ามารู้มันทำเองได้ใช่แต่สมาธินี่ต้อาศัยสีส่้สแล้วสมมติเรานั่งอยู่สมมติเรานั่งอยู่นเราลว่าเราก็ต อ, อ, อนหรเคุยอาจารย์สมมติเราไปคิดถึงเรื่องอะไรเสร็จอ่าจนมันออกไปแล้วเราก็เราก็เราก็กลับเข้ามาอยู่กเข้ามาตรงเนี้ยกลามที่ชาติที่สุดี่หน่อที่คุยอาจารย์หที่นี่แล้วก็ให้ดตัง ก็จำอยู่นี่ต้องหัวไปคิดอย่างนี้กมที่นคือจำมะตุนนื่อจากว่าเราไม่ได้ซ่รู้สึกรู้สึกตัว้สัไม่ชัดนก็ไปง่าอขึ้ลรออยู่เร่อเนี้ยย้อไปดูเนี้ยเวทีนีนะเน่ยเน็ตไทยคอ e พิวเซอร์อยู่แก่ต้องจีบจีบจะก็โอเคอย o างนี้ก็โอเ Now, are you leaving now? We will be doing a new one. Next. How about later tomorrow? Yeah, Tomorrow. Just, oh, okay. You're just taking care of last. Because you know it's a new one, new practitioner. But w once w h do very quick. Yes. Yeah. But yes. you all, uh, you all practice it, I think if you join, we are maybe can take v e quickly. Yeah. So next. Next issues, maybe next year. Yeah, yeah. Don't forget it. Yeah, I, I, I w l l try to. You try to. Yes, I will. Because <laughs> you know, everybody says it really changes. It uh, will really helps uh, me. You know, our healthy they will be e y h uh, i g c e d everyday. So we need to p r t i t e c i t f t f a t fit, f t fit, a i b e i t fit, fit, fit, f i e fit, h i t fit, fit, i t f i Uncertainty all the time. So how can we maintain the i energy? How can n o t maintain for p e r m u n i t y So mm -hmm. how can we get the benefit from something mm -hmm. that means we have to observe the practice, especially you are a l l people. b u t we cannot uh, predict what happen in the day and predict. So how can we do today here and now? Mm -hmm. You have to t n t on the cutting. i n t how can be aware of what we are doing, what we are thinking, what we are speaking b o u Try to observe all the a u i t o r t h a t you have to cut i e But then you have chance to show the degree. You can keep the continuity continuity of the cutting for four days. e n o u w s coming for temporary. But hopefully that will be yeah. help us. Yeah. The continuity, very important. Yes. Yeah. continuity yeah, i e need t i m p o t e Continuity. Yeah. Oh, oh, a o o l o r c o o w Excuse me. No. Okay. Excuse me. No. okay. Thank no. you. Thank you. Thank, you. Thank yes. you very much. Thank you. Stop. Go to the k i t h e n My, you have a review, Nan. No, no, no. Suitcase. This is the s i t c a y e Yeah. Yeah. If I don't anyone? see you again, okay. are you about to leave? No, no, no, no. Oh, okay. Put me in the car. Okay. เจหายมัอนกันเนาะหายเนาะฮ้ยเหายมากับพากันมาเก็บวารู้สกจากห้นี้เปียนไปเลยนะไม่ยากจบอนี่พี่นั่นก็ทำดอกนี้มาเรื่องงมันต้องเดินเข้าๆอย่านีเี่ยเนี่ยดอกไม้อย่างนี้ก็ดีไม่มีลุคเลยในอาจารย์ไม่ชอบดอกไม้พสติมันสวยทนนะ มันสวยทนมันเป็นเงี้สดชื่นแจ่กว่ามาอาทิตย์หน้าพอาทิตย์หน้าเราทำงานมาไม่ได้ทำสามวันเียนะอาทิตย์ได้หนูไปวเที่ยวเดี๋ยวเราจะต้องเอาขนมเนี่ยเอาไปฝากเพื่อนไป นี่ะชอบเนี่ยซื้อนูนนี่นีแล้วเอาไปฝากเพื่อนกินนพอเวลาไปทางานเาถามวันนี้มีอะไรกินแต่เขาไม่มีถามาไม่ที่ชอบอะไรที่ออยู่จะดีไหมฝรั่งพี่ว่าฝรั่งแปลกคนเป็นและพองไปเรียคนเบิรนจาเลยเออนั่นะไม่ใช่ทาไมเขาไม่รู้จักว่าเออไอ้นี่มันมีน้าใจเราซื้อนู้นซื้อนี่มันีอร่อยไม่กันไม่เป็ม่นเออหน้าเสียยวอ๋อาเงเดวไม่ได้มานวนี้วนี้ ตลกนะแล้วทุกคนพอทำแบบ่ี้มันไงมันคาดหวังว่าที่ก็ไม่ดีนะพอเจอได้าดูไม่ใช่พอเจอหน้าดอย่างต้นงานเลตอนที่งารเขาดีเห้ือนี่ยแล้วยิ่งเอารแก้วดเลื่อมก็มีต่อมานันหละว่ามันเหมือนทไมเขาหลมือเป็นเหมือการเปนการเป็นว่าเธอก็เลยจะหลอ โดยการเป็นคาแล้วผูกขาดแต่แล้วการนี้จะแบบว่าเรื่องขอบใจจะมีน้ำใจใจทำไมเราไม่ทำ Are y o ready?